ธรรมยาตราปีนี้นะมีฝนมาเพิ่มรสชาติให้กับการเดินพวกเราและพวกเราคงทราบว่านี้มันไม่ใช่หน้าฝนนะตอนนี้แต่ว่ามันก็มีฝนโปรยปลายลงมาสองสามวันต่อนก็ตกต่ำอันนี้มันอาจจะไม่ใช่ความแปลกรวน เฉพาะครั้งเฉพาะคราวอาจจะสะท้อนถึงความผันแปรของคุฟ้าอากาศที่จะเป็นชนี้ไปอีกนานที่นี่เนี่ยฝนมันไม่ตกมาหลายเดือนที่ดะวนะในช่วงหน้าฝน พฤษภามิถุนากรกฏาสิงหาไม่ว่าแท่ไม่มีฝนเลยโดหลังเขาเนี่ยตกงมาโปรยปรยกัญญาก็เริ่มมีบ้างก็ค่อยตกอ่าเป็นไเป็นหนังหนก็ตุลาแล้วคิดว่ามันจะหมดฝน ล, ล้วเมื่อเข้าพฤศจิกนะแต่ว่า ทันวันนี้ก็ยังตกอยู่มันก็ว่ามันตกช้าลงนะหมายถึงว่าตกฝนมาช้าอันนี้มันก็อาจจะเป็นผลพวงจากปัญหาโลกร้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากการกระทำของมนุษย์เนเป็นการทำลายป่าหรือว่าการเผาผลาญน้ำมันการใช้น้ำมัน เ, เกิดําอนไดออกซด์มากมายถ้าเป็นเช่นนั้นก็หมายความว่าเราก็ต้องอะจะเจอกับควา ม, วามผันผวนชนิดไปอีกนานันกระทั่มันกลายเป็ความปกติไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ควรจะรับรู้ใส่ใจด้วยเพราะมันก็มีผลกระทบต่อ ชีพของเราแล้วก็ต่อโลกของเราแต่ว่าเมื่อรู้เรื่องนี้แล้วรู้โลกแล้วรู้สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราแ ล, แล้วก็จะลืมกลับมาดูใจของเราด้วยเวลาฝนตกนะื่อเช้านี้ เราสังเกตใจของเราบ้างหรือเปล่าว่าเป็นอย่างไรมันมีความวิตกตกังวลไหมไ ม, มีความไม่พอใจหรือเปล่าเวลาผลมันกระทบสังกษีหรือว่ากระทบเต้นใจเราเป็นอย่างไร หรือว่าเราปล่อยให้มันไม่เพียงแต่กระทบทังนสีกระทบเต้นแต่ว่าพลอยลวนไหลมากระทบใจเราด้วยมันจะรู้นอกอย่างเดียวไม่พอนะรู้เรื่องโรครู้เรื่องอบินฟ้าอากาศว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรถึงแปลปร ว, วนผันผวนเราต้องรู้ทัน ใจของเราเวลา เ, ลาเกิดความผันผวนแปรปรวนด้วยเช่นเดียวกันเดีมัวแต่บนว่าทำไมฝนตกตอนนี้จนลึมถามใจว่าแล้วทำไมใจเรานะถึงหมุดๆๆหมิดขุ่นเครืองนะบ่อยครั้งเราไปมัวสนใจนะกับความผันผวนแปรปรวนความุ่นกาศ หรือว่าสิ่งรอบตัวจะลืมสังเกตความผันผวนแปลกๆบนใจเราเราได้แต่บ่นว่าทำไมอากาศเป็นอย่างนี้ทำไมบ้านมึงเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ค่อยได้ถามใจของเราหรือกลับมาถามตัวเองว่าทำไมใจเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมถึงแปลกทำไมถึงตกทำไมถึงขุ่นเครยงทำไมถึงโกรธ ด, ดูนอก แล้วอย่าลืมกลับมาดูในรู้ใจของตัวเราด้วยอันนี้มันเป็นงานของนักปฏิบัติโดยตรงเลยนะเป็นงานของนักภาวนาเราไม่ได้ภาวนาแต่เฉพาะในวัดหรือว่าในในบนลานตรงตรงหรือว่าบนอัศนะ เท่านั้นแต่ว่าเราภาวนาในทุกที่ซึ่งก็ลงถึงการมันดูใจของเราเวลามันผันผวนแปรปรวนมันขึ้นมันลงมั น, มนปูมันฟเวลาตาเห็นรูปนะจนเวลาตาเห็นอาหารที่อร่อยนะ ใจก็ต้องเห็นความชอบที่มันเกิดขึ้นด้วยเวลาหูได้ยินเสียงผลกระทบลังคาไม่ว่าลังคาสังกษีลังคาเต้นใจก็เห็นความที่ตกกัวงวลที่เกิดขึ้นด้วยอันนี้ก็ลงมไปถึงเวลาท้าเราไปเหยียบหินใจก็ รับรู้ถึงเหตุน า, นาที่เกิดขึ้นโยมทั้งเ็นความไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นด้วยข้างในเวลาแดกมันกระทบผิวกระทบใบหน้าของเราแดงแร ง, แรงก็ใจเราก็เห็นความวิ่ตกกังวลที่เกิดขึ้นวิ่ตกว่าบวหน้าเราจะเป็นฝ้าเป็นกระไหม หรือว่าเกิดความถ้าเกิดความไม่พอใจเกิดความพุกเกิดความบุ่นเพลิงขึ้นมาก็เห็น้ดยองนงใจเราใช้ตานะรับรู้สิ่งต่างๆนอกตัวแต่บางทีใจมันมืม ดิ้นใช้ใจที่จะดูรับรู้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนทั้งความทิกปรุงกันที่จริงสิ่งที่สิ่งที่ช่วยให้ใจเห็นอารมณ์และความทุศปรุงกันที่เกิดขึ้นก็คือสติสติเมตตาตาในที่ช่วยทําให้ใจเนี่ยเห็นความแปรเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภางใน อันนี้เป็นเรื่องที่นักปฏิบัติธรรมนะควรจะใส่ใจแต่พวกเราหลายคนี้ที่นี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักภาวนาก็ควรจะรับรู้แล้วก็ควรจะใส่ใจเช่นเดียวกันเพราะว่ามันจะช่วยเราได้ในช่วงสี่ห้าวันเพราะว่า ในการเดินธรรมยานาหรือว่าเดินที่ไหนก็ตามนี่แหละถ้าจะเดินให้ได้ดีเ ด, ดินโดยที่ไม่ถูกความทุกข์รุมเราใจก็ต้องรู้เรื่องนี้ด้วยให้ตระหนักว่าเราไม่ได้เดินด้วยเท้าอย่างเดียวเราเดินด้วยใจย เดินด้วยเท้านี่ใครๆก็ทำได้แต่เราไม่เรียกว่าเดินเต็มแค่เรียกว่าเดินได้แต่ถ้าเดินเต็มนี่ต้องเดินด้วยเท้าและเดินด้วยใจหมายความว่าเท้าก็ก้าวเดินปฏิกิรากก็วางใจให้ถูกด้วยไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เหนื่อยแต่กายนะแต่ใจก็เหนื่อย ตามไปด้วยแล้วพอเหนื่อยใจแล้วนะมันก็ไปซ้ำเติมกายทำให้ร่างกายย่ำแย่ลงอาจจะทำให้ไปไม่ถึงที่หมายยิ่งระยะทางไกลๆนะยิ่งต้องอาศัยใจนะเป็นสำคัญด้วย อมีพุทธภาษิตว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจหลายคนฟังแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจหมายหมายความว่าอย่างไรแต่เดินธรรมยถ า, าจะช่วยเราเข้าใจธรมพุทธภาษินี้ชัดเจนขึ้นเพราะว่าเพียงแค่ ใจเพียงแค่ถอดใจใจไม่สู้บนว่าไม่ไหวไม่ไหวเท่านั้นแหละนะแม้จะตัวใหญ่แค่ไหนจะอายุอ่าจะหนุนเพียงใดมันก็ไปไม่ถึงนะกฎหมายไปทางเพราะว่าเจอทางที่กลอดานหรือว่าเจออากาศที่ไม่เป็นใจพอใจไม่สู้แล้วนะร่างกายก็ไม่สู้ตาม ในทางตรงข้ามนะใครที่ใจสู้ไม่เคยรู้สึกเลยว่าไม่ไหวไม่ไหวไหวตลอดก็สามารถที่จะพาร่างกายหรือพาขาเนี่ยไปถึงที่หมายได้มันก็จะมีนะบางครั้งบางช่วงที่เรียกว่าขามันไม่ไปแลว้วอ่ะเดินมายี่สิบโลแล้วหรือ เดินมาสิบกิโลแล้วขามไม่ไปแล้วแต่เพราะใจในั่แหละที่ทำให้ดึงแล้วก็ลากขาไปจนถึงที่หมายได้ทำคนที่ทำงานจะเป็นคนแก่ในเวลาที่คนหนุ่มคนสาวนี่ถูกทิ้งหรือว่าทิ้งหางไปเป็นกิโลกิโลเพราะว่าใจไม่สู้ใจท้อได้บอกว่าตั้งแต่คืน คือมื่วันสระว่าการเป็นธร ร, รมชาตานี่มันเป็นการพิสูจน์ถึงขนาดของหัวใจว่าใจใหญ่แค่ไหนนะใจสู้หรือเปล่าขนาภูมวุฒใจนี่ก็แสดงออกด้วยการที่มีใจสู้ไม่พอถอยง่ายงา่ายแล้วก็ใจที่เผื่อแผ่กว้างขวางอบอ้อมอารี แต่ว่าใจสู้อย่างเดิมก็ไม่พอนะเพราะว่าสู้แบบกัดฟันสู้ก็มีนะเพราะว่ามันทุกข์เลือเกินทุกข์ใจหลายคนก็เดินธรรมญาการด้วยใจที่สู้แต่ว่าก็ต้องกัดฟันสู้มากเลยเพราะว่ามันทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ที่ใจเลยทุกข์ที่ใจด้วยอันนี้ก็เพราะว่ายัางวางใจไม่ถูกแลวส่วนใหญ่กัดฟันสู้เพราะว่า ใจเนี่ยมันคิดไปถึงแต่เป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ยังอยู่อีกไกลเวลาเดินเนี่ยใจจะเหนื่อยมากเนยะเวลานูกถึงเป้าหมายปลายทางข้างหน้าเพราะมันจะบนแอบบนแล้วก็บางครั้งก็บนดังๆว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไหรจะถึงทีแรกก็เมื่อไหรจะถึงข้อนั้นนะเฉยๆ แต่ว่าไปทับท้าไก็จะบ่นมาเมื่อไหร่จะถึงวุ้ยเมื่อไหร่จะถึงวาจะมีวุ้ยมีวะนะตามมาด้วยนะแล้วก็อาจจะไปถึงว่าเมื่อไหร่จะหยุดพักสักทีวเนี่ยมันจะมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นระยะระยะแล้วตัวเนี้มันก็ทําให้ใจเนี่ยค่อยๆ พอนไปเรื่อยๆพอนไปเรื่อยๆยิ่งคนที่ไม่เคยฝึกใจไว้เลยเนี่ยมันก็จะผลดมันไม่ไหวไม่ไหวไม่ไห ว, วแล้วไม่ไหวแล้วที่จริงธรรมยถาตาเนี่ยมันเรามีคาถาอันหนึ่งนะที่ใช้กันเป็นประจํามาตั้งแต่ปีแรกๆแล้วก็หลายหลายคนก็ได้ผลนะคาถาที่สั้นๆเวลาการท้าซ้ายก็ บริกรรมว่าทนได้เวลาก้าวท้าขาก็สบายมากซ้ายทนได้ขวาสบายมากหรือขวาทนได้ซ้ายสบายมากนะบริกรรมอย่างนี้ในใจเนี่ยนะมันจะช่วยปกใจให้สู้ขึ้นมานะในทางตรงข้ามถ้าเราเปลี่ยนว่าซ้ายไม่ไหวนะขวาก็ยิ่งไม่ไหวทีแรกเราจะบริกรรมเล่นๆนะ แต่ว่าพอทําไปสักเป็นชั่วโมงเนี่ยมันเริ่มไม่ไหวจริงๆนะไอ้คาบริกรรมที่เราเปลี่ยนมาหรือคิดเป็นคําพูดเนี่ยมันก็ส่งผลทุกใจเราเนะี่ยในคำบริกันเวลาเราเดินถ้าเราทําหน้าบึ้งนะทาหน้าบึง้งทีแรกก็จะบึ้งเล่นๆนะแต่ว่ากําลังมันจะบึ้งจริงๆแล้วมันก็จะมันจะไม่บึ้งที่ใบหน้านเดียวใจมันก็จะบึงะบ้งด้วยแล้วก็จะเครียดก็จะท้อ แต่ถ้าเราลองฉีดยิ้มนะลองฉีดยิ้มดูระหวที่เดินเราฉีดยิ้มตลอดเวลาไม่ว่าจะไกลแค่ไหนไม่เาเรียนชาติวิบายฉีดยิ้มเราจะรู้สึกว่ามันมีแรงที่จะไปต่อแรงนั้นเนี่ยมันมาจากใจมาแล้วมันก็ถ่ายไปสู่กายอันนี้คืความหมายในคําว่าทําทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าถ้าใจสู้ ใจบอกว่าไหวมันก็ไหวแต่เท่านั้นก็ยังไม่พอนะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าต้องอทํามากกว่า น, นั้นด้วยก็คือว่าอย่าไปนึกถึงจุดหมายปลายทางข้างหน้ามากนะักให้ใจกลับมาอยู่ปัจจุบันจุดหมายจะไกลแค่ไหนใจให้กลับมาอยู่ตรงนี้ที่นี่เรียกว่าใจอยู่กับปัจจุบัน แล้วความควา ม, ความท้อนะความวิตกกังวลมันก็จะลดลงเพราะว่าความท้อความว well, ิตกกับความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยใจไม่อยู่กับปัจจุบันใจที่อยู่ข้างหน้าคิดถึงแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเหมือนกับเวลาเราทำงานเราเครียดส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเราคิดเกิดถึงว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จอันนั้นพราใจไม่อยู่กับปัจจุบันแต่อยู่ที่ข้างหน้าแล้ว เมื่อเรามีความคิดแบบนี้ขึ้นมาว่าใจมันไปจดจ่ออยู่ข้างหน้าให้มีสตริรู้ระหว่างพาที่กําลังกลัวตรงนี้ก็ให้ใจมาอยู่กับกายด้วยนี่เป็นการเจ ร, ร, ริญสติขั้นพื้นฐานก็คือว่ากายตัดใจไปด้วยกันไม่ใช่กายอยู่ตรงนี้นะแต่ใจนวลไปแล้วเนะี่ยสามสี่ตัวนในข้างหน้าถ้าใครปล่อยใจไปแบบนี้นะ จะท้อจะพุกจะเครียดแล้วก็ในสุดก็จะไม่ไหวหรือถึงไหวก็ไหวแบบตัดฟังสู้วางปิดหมายปลายทางข้างหน้าและอยู่กับปัจจุบันจะทำไทด้ต้องมีสติคือสติที่รู้ทันความคิดรู้ว่าใจมีปลายข้างหน้าแล้วไอ้ตัวที่รู้นี่คือสติคือกาในซึ่ง ใหม่ๆเนี่ยมันจะรู้ช้าคิดไปเป็นล็อกเป็นเวลแล้วถึงค่อยมารู้ไม่เป็นไรเมื่อรู้แล้วเนี่ยจิตมันก็จะเมื่อรู้ทันเนี่ยจิตมันก็จะกลับมาเพราะจิตรู้ตัวแล้วไ อ, ทไอท้ที่ไอ้ที่คิดไปข้างหน้าเนี่ยเพราะเผลอไปสติทําให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาความรู้สึกตัวนี่สําคัญนะ ถ้าเราดึด้วยความรู้สึกตัวใจเราจะอยู่กับประตูปันอยูเสมอใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวใจอยู่กเนื้อกับตัวนี่มัค่อยทุกข์เท่าไหร่เงี้ยโเฉพาะไม่อยู่กับนื้กับตัวนี่แหะไปคิดถึงอดีตนั่งอนาพกด้งใจเริ่มจเกิดทําอเมิงเละสงสัยว่ากูมาทําอะไรเนี่ยทำไมไม่อยู่บ้านก็ยิ่งทําให้โมโหตัวเองเข้าไปใหญ่แล้วมันก็บันทอนใจ แล้วก็ไปซ้ําเติมกายทาให้เหนือ่อยขึ้นแต่เนั้นเนี่ยหลักง่ายๆการเดินอำให้อาตารยคือใจอยู่กับปัจจุบันตุกไม้ไม่จะไกลแค่ไหนใจอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่อยู่กับกายแล้วไม่ทําให้เราเดินไปได้เรื่อยเๆื่อเมื่อปีที่แล้วนี่เคยขึ้นไปไปลอยหลวงเชียงดาวก็มีรูกขาด ทีแรกก็ตามไปเรื่อยทีแรกลูกหาเนี่เดินตามหลังลูกหาอนี้ก็แดะของยี่สิบโดดได้มั้ยลูกหาเดินช้าๆนะส่วนนักพวกเรานักต้องเที่ยวก็เดินนำหน้าเดินไว้ต่หลังแต่การมาลูกหาก็ค่อยๆแซงแล้บางราก็ถึงเป้าหมายก่อนเราสี ทั้งหน้าที่ของเรากันนะแล้วก็เขาก็เดินช้าแล้วเวลาเดินเนี่ยเขาจะก้มหน้าตลอดนะไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่เป็นเพราะสัมภาระมันมันกดมังกดเขาไว้อันมีเพื่อนเคยถามว่าถามลูกค้าว่าทำไมมองก้มหนา้าทำไมก้มดูแต่ทางทางข้างหน้าทางที่ ไม่กลกับเท้าเดินเท่าไหร่เขาบอกว่าถ้าเงยหน้าเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าระยะทางไกลไปทํทำให้ท้อูปหายซึ่งเขาเดินมาวันละหลายเที่ยวนะแต่เขาก็มีวิธีการที่จะช่วยให้ใจเนี่ยไม่เป็นทุกข์กับการเดินก็คือให้อยู่กับปัจจุบันเขาจะไม่สนใจจดหมายข้างหน้า พอจะสนใจแล้วจะทอ้อง่ายๆเข า, าจะสนใจแต่ทางที่อยู่ข้างหน้าเท้าเขาเพียงแค่ไม่กี่เมตรไม่กี่พุธเท่านี้ยแล้วใจก็อยู่ตรงนั้นเดินไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวใจก็อยู่แต่ละก้าวแต่ละก้าวอันนี้มันเป็นเทคนิคของลูกถามนะที่ทําให้เขาสามารถที่จเดินได้ไกลเดินได้อุดแล้วก็ไม่ถุกทรมาน และแถมเดินได้ถึงวัยกว่พวกเราด้วยพวกเรานี่ทีแรกก็เดินเดินวัยเดินฉับฉับฉัแต่ว่าพอรู้สึกว่าเดินเท่าไหร่ยังไม่ถึงสักทีก็เดินพ้อพอเริมพ้อก็พักพอพักเนี่ยกระโดดลูกหาวระแสงเนี่ยเขาก็เดินไปเรื่อยเหมือนกระเต่านะ่ยเหมนกระเต่าเดินไปทีละนิดเฉงแต่ก็เดินไม่หยุดนะก็เดินช้าเดินไม่หยุดและเชื่อใจเขาก็ไม่ทุกเดือน เพราะว่าเขามองแต่ผ่านข้างหน้าเขาไม่ได้มองไปถึงจุดหมายอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปนะแม้กระทั่งนักปีนเขาที่มีชื่อวันนี้นักปีนเขาคนหนึ่งซึ่งผ่านพิชิตยอดเขาที่สูงที่สุดใน ท, ทวีปมาแล้วบนทั้งเอเวอเรสต์ด้วย mm hmm. ก็เพื่อ้น่าสนใจนะจาจะประสบการณ์การปีนเขาเข้ามาหลายสิบปีนะบอกว่า ทุกอย่างมักดูไกลทำเป็นจริงเสนอเมื่อมองกับที่ไกลอย่างเช่เวลาเ้าจะปีนเขาเนี่ยถ้าเขาอยู่ปีนเขามองไปที่ปีนมองไปที่ยอดเขาเนี่ยถ้าเจดจ่อไปที่ยอดขาตลอดเวลาเนี่ยเขาจะเสือมันหน้าตลัวมันไกลมันสูงมันชันแต่พอตัวรู้สึกทอขึ้นมาในที่สุดเขาบอกว่าศิลปะ ก, การปีนเขาคือว่าสนใจแตะพื้นดินใต้ฝาา่าเท้าแล้วก็เดินไปทีละก้าวทีละก้าว ถ้าไม่อยก่ตะึ้แน่แต่นั่นก็หมายความว่าต้องมีการวางแผนในแล้วนะว่าจะเดินใช้เส้ทนทางนี้และเป็นเส้ทนทางที่ไปถึงได้เมื่อวางแผนจะใช้เส้ทนทางที่ถูกแล้วก็แค่สนใจที่หินใต้ฝาเท้าและกล้าไปขีดแล้การีดแล้กล้ า, ล ก, าก็เป็นเทคเทนิคเดียวกันกับลูกผาเนี่ยที่ลอยหลวงูอยู่กับปัจจุบันนี่ขนาดที่เป็นนักเดิน ที่เชี่ยวชาญแล้วก็นักปีนเขาที่เกณฑจัดนะี่ยเายังเห็นความสําคัญการที่ใจกับปัจจุบนันลืมอุจดหมายไว้ก่อนแม้ว่าจดหมายจะสําคัญแต่รืมไว้ก่อนดูกับปัจจุบันมือกับทางข้างหน้าไม่ขี้พูดแล้วก็เดินถ้าสมาธิเดินดยหญ่หยุดถ้าเดินไม่หยุดแม้จะช้าแค่ไหนก็ไปถึงกเถิบไปถึงก่อนคนที่เดินเร็วเรื่ ก็พอดีเดินเร็วนี่เนะี่ยเดินไม่อ่อนแรงไม่อ่อนกำลังแถมใจไปอยู่กับจิหมายไปทางข้างหน้าก็เลยว่าร่างกายก็เหนื่อยอ่อนเร็วแล้วก็ใจก็ไม่ไหวเร็วขึ้นมันก็เลยต้องพักหมดแรงหมดแรงกายและหมดแรงใจต้องมาเติมแรงกายแรงใจใหม่ในระหว่างพักแต่ว่าคนที่เชี่ยวชาญในการเดินนี่เขาเดินไปเรื่อยๆ เอาเขานะที่เคยเป็นมะคุเทศพาขึ้นไปอินโดนีเซ่ยสลองลก็ใช้วิธีนี้ห น, นึน่งกันพวกเราเนี่ยซึ่งเป็นซึ่งหลายคนเป็นนัเกเตินสมัครเล่นที่ต้องใช้วิธีนี้เขาเป็นอย่างใจอยู่กับปัจจุบัน mm hmm. วางหรือลืมสุดหมยข้างหน้าไปก่อน mm hmm. เช่นวันนี้นไปป่าตปปรงทันปีไม่ว่ามันจะอเมซิ่นแค่ไหนหน่าตื่นเต้นเพียงใด ก็วางเอาไว้ก่อนลืมไปเลยก็ได้นะระหว่างที่เราเดินเราก็อยู่กับจุดหมายปลายทางเดินให้เราตระหนักจุดหมาที่ปลายเท้าจุดหมายที่ปลายทางแขนที่ป้ายแขนผ้าที่เราที่เราถื้อไปเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าจุดหมาที่ปลายเท้าไม่ใช่ปลายทางอันนี้ก็ไม่ได้เขียนเล่นๆนะเขียนเพื่อเตือนเราว่าให้เราตระหนักสมอจุดหมายอยู่ที่ปลายเท้าถ้าปลายเท้าเราไม่ขยับนะ จุดหมายก็เป็นพีแค่ความฝันจินตนาการต่เมื่อเราขยับปลายเท้าจุดหมายถึงจึงจะเราจึงจะถึงจุดหมายได้ใจจะอยู่ปัจจุบันต้องอาศัยสตินะ้สติช่วยมากในการเดินธรรมยาตราแต่บางคนก็อาจจะถ้าสติยังไม่คล่องแคล่วว่องไวก็ใช้สมาธิก็แล้วกัน ก็คือให้ใจในกำหนดอยู่กับอะไรสักอย่างหนึง่งอาจจะอยู่การนับเก้านับเก้าทีละเก้าทีละเก้าก็เคยมีนักเรียนนะเดินทีละ ก, ก็เดินไม่เป็นนะเดินได้แต่เดินไม่เป็นก็เดินด้วยความทุกขสองวันนี้เดินทุกข์มากเลยแต่วันที่สามก็แนะนําเขาว่าให้ลองนับเก้าดูก็พยายามนับเก้านะ อันที่สามก็นับได้เริ่มนับได้วันที่สี่นับได้ดีขึ้นต่อเ น, นื่องมากขึ้นจนกระทั่งถึงที่หมายไปทางคอนเดนนับได้หกถัดจาเก้ามึงเขาดีใจมากนเขามาไล่เขาเนี่ยไม่เพียงแต่เขานับได้ต่อเ น, นื่องนะแต่ว่าเขาเดินสนุกมากขึ้นมันไม่ทุกเหมือนก่อนที่ทุกเนี่ยไม่ใช่ทุกเพราะว่าทางมันไกลแต่ทุกเพราะใจมันพอมากกว่า ทางไกลไม่ใช่ปัญหาแต่ใจที่ท้อใจที่ไม่อยู่กับประตูันเป็นปัญหาอันนี้ก็ต้องบางบางทีก็ต้องกําหนดให้จิตเงินไปอยู่กับอะไรสักอย่างเช่นการนับใจมันก็ลืมลืมจุดหมายปลายทางไปมันก็ไม่มีว่าไม่เหนื่อยละว่างที่จะท้อไม่เหนือยไม่เหนือยละว่างที่จะทุกนะ์หรือจะบริกรรมก็ได้นะทายทนได้่าสบายมากหรือทุทโธพุโทพโธ แต่ละคนก็จะมีความถนัดเฉพาะตัวให้ใจไม่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อว่าจะได้ไม่สนใจติดหมายปลายทางซึ่งจะทําให้เกิดความพล้อง่ายมีเด็กคนนึงว่าเมื่อหลายปีก่อนห้าปีที่แล้วมวัวุธก้าวขวดสุดขวดตามแม่มาไม่อยากมาตนะั้งแต่แม่ให้มาก็เดินด้วยความทุกข์เหมือนกันนะบางทีก็เดินม้างนั่ ง, งรถบ้าง ตอนนั้นเนี่ยมันมีรถให้ให้เด็กได้นั่ง่ะมีรถหลายคันคนแก่ก็ไม่ไหวก็นั่งรถแต่ว่าหลังๆนี่เขาก็เดินเองไงเพื่อจะเดิน ม, มาถึงนี่เลยมั้งจากจากศูนย์งองพี่ชายก็ไปถามพา่าเหนื่อยไหมพก็ไม่เหนื่อยทำไมไม่เหนื่อยแต่ก็ตอบว่าเพราะว่า ตานี่คอยจ้องเท้าคนข้างหน้าพอตานี่จ้องเท้าคนข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตาจ้องนะใจมันก็จ้องเลยใจมืันจดจ่อเท้าคนข้างหน้ามันก็ลืมเมื่อยลืมเมื่อยลืมลืมปวดกลายเป็นปวดแต่ใจมันลืมนะใจมันลืมเพราะว่าใจไันจดจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอยา่างเช่นถ้าเราเด็คนนี้เขาจดจ่ออยู่กับเท้าของคนข้างหน้า ก็ทําให้ใจเนี่ยลืมปวดเท้ายังปวดอยู่แต่ใจมันลืมไปแล้วใจมันไม่รับรู้ดอื้อเด็กเขาคิดขึ้นมามนเขาเองนะไม่มีใครสอนแต่ว่าความทุกข์มันสอนเนี่ยความทุกข์สอนเด็กให้เกิดปัญญาขึ้นมาเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าจะอยู่ดีๆเนี่ยจะคิดขึ้นมาเองอยากนะไม่ต้องอาศัยความทุกข์เป็นตัวผูกรั้น ปัญญาถึงจะเกิดความทุกข์และ ป, ปัญหาทำให้เกิดปัญญาได้เด็ตคนนี้ก็รู้จักเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญาซึ่งถ้เขาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นี้ mm hmm. วก็จะพว่าออที่แท้เ น, นี่ยหนึ่งที่ใจความลำบากเนี่ยความลำบากกายไม่สำคัญนะถ้าใจเนี่ยมันสู้หรือว่าวางใจถือ แล้วพวกเราก็ลองนะเ อ, อาใส่ความทุกข์ให้ความทุกข์มันสอนเรานะให้ความร้อนมันสอนเราให้ความความเหนื่อยมันสอนเรานะและมันช่วยทำให้เราวางใจได้ถูกธรรมยานตรีเนี่ยนะมันจะเป็นการที่ถูกให้เรารู้จักทำจิตและทำจิตนะเราทําจิตด้วยทำจิตก็คือการที่เราช่วยบำรุ ง, งสิ่งแวดล้อม ให้ผู้คนเตืนตัวธรรมชาตินี่คือการทําจิตซึ่งน่าสรรเสริญแต่อย่าลืมทําจิตด้วยเพราะถ้าเราไม่ทําจิตเนี่ยเราทําจิตไปก็ทุกไปทําไปก็บนไปทําไปก็บนไปทําประโยชน์ท่านแต่ไม่ได้ประโยชน์คนเลยนะทําประโยชน์ท่านแต่ว่าเกิดโทษกับตนก็คื อ, อทําด้วยความทุกข์ ถ้าเราต้องอยากทำจุดด้วยนะี่ที่พูดมาก็เป็นส่วนของการทำจุดเราเดินไปเราก็ทำใจให้ถูกไปด้วยก็จะได้ทั้งผลงานแล้วก็ได้ความสุขหลวงพ่อท่านจะกลุ่นผมพิณาพรท่แค่ทางานก็ได้ผลผลก็เป็นสุขแต่บางทีงานก็ไม่ได้ผลนะงานก็ล้มเหลวบางทีงานสามารถจะล้มเหลวได้แต่ว่าใจกจ็เป็นสุข ใจไม่ทุกอย่างที่ล้มเพความเขียนพูด เ, เดมื่อวานนะี่ยในสัมภาษณ์เมื่อวานนี้พวกเราก็ดูจะมายาถ้าบอกงานที่ท่านทํานี่นททล้มเหลวหมดเลยแต่ว่าตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลวเพราะว่าท่านทําทั้งจิตได้ทําจิตด้วยทําจิตก็ทําเต็มที่แต่เหตุประจานไม่อำนวยก็ล้มเหลวแต่ที่จริงก็ไม่ล้มเหลวนะแต่ว่าท่านพูดเราถ่อตัวางานล้มเหลวแต่ว่าหลวงพ่อไม่ล้มเหลวเลยเพราะว่าท่านทําจิตด้วย ใจถ้าไม่ทุกข์ใจถ้าไม่ใครท่าก็ยังเป็นปกติแล้วพวกเราหลายคนเนี่ยทําจิตแต่ไม่ทําจิตถ้าสาเร็จก็ดีไปไม่สาเร็จก็ทุกข์ก็ท้อแต่ระหว่างที่ยังไม่สาเร็จนะก็ทำด้วยความเครียดเรียกว่าทําจิตแต่ไม่ทําจิตแต่ถ้าเราทําจิตด้วยทาจิตด้วยนะงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขหรือถึงไม่สาเร็จนะ ใจก็เป็นปกติไม่ผูกเพราะนั้นก็อยากจะฝากไว้น้ะว่าเราเนี่ยในเมื่อเราตั้งใจรักษาโลกแล้วเนี่ยจะ ด, ดูรักษาใจด้วยรักษาโลกกันไม่รักษาใจนี้เราขาดทุนนะถึงแม้นนว่าจะเป็นการกระทำที่น่าสรรเสริญเรารักษาโรคเราต้องรักษาใจด้วยทำสองอย่างก็ควรไปตาเห็นรูปนีใจก็เห็นความคิด ให้มันทำควบคู่กันไปเท้าสัมผัสทางหรือว่าเหยียดหินใจก็เห็นความทุกข์ความขุ่งที่เกิดขึ้นเวลาลมพัดมากระทบกายใจก็เห็นความสุขความสบายที่เกิดขึ้นเวลาแดดมากระทบหั ว, วกระทบหน้าแรงใจก็เห็นความที่ตกที่เกิดขึ้นั้าไหน อันนี้เป็นการบ้าที่ฝากเอาไว้นะช า, าวธรรมยาตราให้ดูใจของเราด้วยในเวลาระหว่างที่เราเจไม่ว่าตายหองลูกหรือ เ, เสียงหรือว่าเท้าสัมผัสุูนเดินรูนดูใจของเราอะละชาวนี้ก็คือแบบนี้ยังจะมาทั้งพเโรพะววา ตุตาภวันตาภิลาภินตัวภะตุะวัตมโมธรมนามาสันสุปฏิปันโนภวัตโตสาวะกะสังโตสังาระนา